สามารถให้ที่ทางที่ถูกต้องเราอาจจะหลงทางก็ได้ดังนันในสติปัฏฐานสูตรที่เราสวดตอนเช้าเนี่ยเราบอกว่าทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวเอกายโนมโัโคสตานังวิสุตติยาซึ่งในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเดินทางนี้ทางเดียวแล้วเนี่ยมันจะได้อานิสงส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 ความไม่สบายกายคือทุกข์โทความไม่สบายใจคือโทมนัตความไม่สบายกายคือทุกข์ทุกข์ทโทมณัตเพราะนั้นถ้าเรามุ่งเอ า, าความไม่สบายใจอย่างเดียวนะไม่ได้หมายถึงความไม่สบายกายะจะไม่มีคำสองคำนี้ก็จะมีคําใดคําหนึ่งขึ้นมาอาจจะใช้คําว่าทุกโขอาจจะคําว่าโทมนัสโสคาใดคําหนึ่งแต่นี่ท่านใช้ทั้งสองคำเลย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 ความสุขและความร่ำรวยร่ำพันเงื่อนไขข้อที่สามนะเงื่อนไขข้อที่สามของการเสด็จสิบประธานสุดหมายความว่าอย่างไร <c oughs> แล้วก้าวล่วงได้หรือยังความสุขเศร้าพี่ไร้ล่ำพันธ์มันก็เนื่องมาจากข้อที่หนึ่งและข้อที่สองแล้วจะเห็นว่า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 บรรลุถึงทำอันควรบรรลุทีนี้ไอ้ทำอันควรบรรลุในระดับไหนนะในสังห้าข้อเนี่ยเป็นฝ่ายลบใชสามเป็นฝ่ายบวกใช่สองอการเป็นจิวิเสติประธานสีได้อย่างบุรณการได้าสามข้อได้ถูกต้องเนี่ยมันจะเข้าถึงธรรมในสิ่งที่เราควรจะคาว่าควรจะเข้าถึงมมกว่ามันมัน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 แต่เมื่อใดเราบูรณาการสามข้อเนี่ยอาตาปีสติมาสัมมัชานอย่างเข้มข้นมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็เหมือนกับเราเขี่ยวกะทิในเบื้องต้นเนี่ยมะกะทิมันก็ยังเป็นกะทิอย่างเข้มข้นอยู่แต่พอเคี่ยวไฟต่อเนื่งไฟเข้มแข็งต่อเนื่งเข้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงหม้อกะทิเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของมันก็คือมันเดือด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 ถ้าเปผสมนกะทิกับน้ำมันก็ยังปนกันอยู่มีทั้งน้ำมันมีทั้งกะทิปนกันอยู่อย่างแยกกันไม่ชัดเจนหน้าที่ของเราก็ทำไงต้องเล่นไฟต่อไปรักษาความต่อเนื่องของไฟต่อไปรักษาความต่อเนื่องของความเพียรต่อไปดังนั้นในวิธีการนองพุทหินเนี่ยความต่อเนื่องของของความเพียรจึงเป็นกุญแจที่สําคัญฉะนั้นอาดามาก็เลยสรุปเป็นหลักสั้นๆว่าจริงจังตั้งใจต่อเนื่องและถูกต้อง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 ประกอบให้อาตตาปีสติมาสัมปชัยนยูเนี่ยทำงานในได้อย่างถูกต้องและอยางอาศัยสองตัวเนี่ยคว่าปรโตโคโศท่านกล่าวว่าได้แก่การฟังจากคนอื่นปรโตโคโศเสียงจากสะท้อนจากผู้อื่นอะปตโขโศเสียงสะท้อนจากผู้อื่นได้แก่ใครก็ได้แก่กรายนานมิตรครูบาอาจารย์มิสายของเรานั่นเองอันนั้นเราจึงสวด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 องค์ประกอบอันที่หนึ่งประตูโคสศักท่านแยกเป็นสามประการหนึ่งกัลยาณมิตรสองกัลยาณสหาหิสามสิ่งแวดลอ้อมต้องหาให้เจอองค์ประกอบอันที่หนึ่งเนี่ยคือประตูโคกศท่านแยกเป็นสาประการนี้ในกัลยาณมิตรกัลยาณาสาหต่างกันยังไงกัลยาณมิตรมหมายถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้แจ้งเห็นจริงกัลยาณาสายหมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติร่วมกับเราอย่างเข้าใจโดยที่ไม่เกิดการขัดแย้งในหลักการวิธีการ